หรือเราไปที่ทำงานบอกงานยุ่งทั้งวันตอนขึ้นลิฟไปที่ทำงานยังไม่ได้ทำงานตอนเดินไปที่โต๊ะทำงานก็ยังไม่ได้ทำงานตอนนั่งเปิดกุญแจเขายังไม่ได้ทำงานเปิดคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่ได้ทำงานนี่เวลาเหล่านี้นะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าไปรวบรวมมานะเพราะว่าเยอะเลยหลายชั่วโมงราคนเราเนี่ยสมองคนเราเนี่ยทำงาน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 ถ้าเราไม่ทิ้งเวลาเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเราจะไม่บ่นว่าไม่มีเวลาปฏิบัติอย่างหลวงพ่อได้เวลาเยอะเลยนะสมัยเป็นคราวาดตื่นนอนมาเนี่ยตอนลุกขึ้นมาเก็บที่นอนนะก็ได้ปฏิบัติละก็ไปอาบน้ำไปเข้าห้องน้ำก็ได้ปฏิบัตนะิแต่งตัวก็ได้ปฏิบัติเดินทางจากบ้านไปที่ทางานก็ได้ปฏิบัติอีก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 ดูไปดูไปโอ้ไรสาระพวกเราเคยดูละครแล้วรู้สึกไร้สาระบ้างไหมบางทีละครก็สนุกใช่ไหมละครสนุกแล้วอินใช่ไหมรู้สึกเป็นจริงเป็นจังชั้นนี่แหละหนางเอกน่ะกําลังถูกนางมารไรหลังแกอยู่อะไรนี้ยนะเวลาเราดูละครนะบางทีเราก็หลงไปถ้าละครนั้นจืดชืดเราก็รู้สึกนี่มันของน้ําเน่าไม่น่าดูใจเบือ่อ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 ความสุขอันนี้ไม่มีความแปรปรวนเกิดขึ้นเรามีโอกาสนะเพราถ้าเราได้ฟังธรรมแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นเราได้ฟังธรรมมาบ่อยแล้วนะฟังซีดีบ้างฟังหลวงพ่อบ้างเหลือแต่ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมวันๆอย่าเอาเวลาไปจิ้งเก็บมาให้หมดเลยนะเวลาเล็กเวลาน้อยถ้าจะพักผ่อนจําเป็นต้องพักผ่อนก็พักผ่อน